ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายพระพุทธภาษิตผู้ใดประทุษร้ายด้วยท่อนไม้ในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุษร้ายใครผู้นั้นย่อมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วคือมีเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความขาดแห่งศรีละหนึ่งอ า, าพาธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุปสรรคจากพระราชาหนึ่ง การถูกกล่าวตูวอย่างทาโรณแสบเผ็ดหนึ่งความสิ้นญาติหนึ่งความพินาศแห่งโภคะหนึ่งมิฉะนั้นไฟป่าย่อมไหม้บ้านหนึ่งคนผ่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมตกนรกเมื่อตายแล้วอธิบายความขอนำมติของพระอธิคถาจารย์มากล่าวก่อนคำว่าเวทนากล้านั้นหมายถึงโรคอันเป็นเหตุให้ปวดอย่างหนักเช่นโรคปวดศีรษะเป็นต้นคำว่าความเสื่อมนั้นหมายถึงความเสื่อมทรัพย์ คำว่าความขาดแห่งศรีละหมายถึงการถูกตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าอาพาธหนักหมายถึงอาพาธหนักเช่นโรคอราาัมพาตตาบอดเป็นง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นคำว่าจิตบุ้งซ่านได้แก่เป็นบ้าคำว่าความขาดข้องแต่พระราชาอธิบายว่าได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากพระราชาแล้วถูกถอดยศลดตําแหน่งมีตําแหน่งเสนาบดีเป็นต้น คำว่าถูกกล่าวตูอย่างรุนแรงได้แก่ถูกใส่ความด้วยเรื่องไม่จริงไม่ได้ทําเขาก็ว่าได้ทําไม่ได้เห็นเขาก็ว่าได้เห็นคําว่าความสิ้นญาติหมายถึงความย่อยยับแห่งเคยญาติผู้พอเป็นที่พึ่งพนักได้คําว่าความพินาศแห่งโผคะหมายถึงทั้งสังหาริมาทรและอสังหาริมทรัพย์ถึงความพินาศย่อยยับไปสัตว์สองเท้าสี่เท้าล้มตายด้วยโรคระบาด หรือตาบอดใช้การไม่ได้คำว่าไฟป่าย่อไหมเรือนนั้นคือเมื่อไฟอย่างอื่นไม่มีไฟป่าย่อมตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันแล้วลามามาไหมบ้านเรือนหรือฟ้าผ่าลงมาถูกบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้นสาระสำคัญที่พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมบ้างโดยไม่ละแนวของพระอัฏกถาจาร์อันที่จริงการประทุสระซึ่ง ก, การมีโทษมากอยู่แล้ว ทั้งโทษในปัจจุบันและอนาคตทั้งโทษในโลกนี้และในโลกหน้าการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายยิ่งมีโทษมากขึ้นหลายเท่าเช่นบุตรธิดาประทุษร้ายมารดาบีดาสิทธิ์ประทุษร้ายครูอาจารย์ราษฎรประทุษร้ายพระอาชาผู้ดํารงมั่นอยู่ในธรรมสาสนิกประทุษร้ายนักบวชผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมิตรประทุษร้ายมิตรผู้มีอุปการะต่อตน พัญญาประทุษร้ายสามีผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูพัญญาโดยธรรมสามีประทุษร้ายพัญญาผู้ไม่มีมนฑินแห่งหญิงผู้จงรักภักดีปรนิบัติให้มีความสุขการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเหล่านี้เป็นบาปหนักทั้งสิน้นเป็นเวรกรรมติดตัวไปนานดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระมหาโมฆลลานะเทระเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวรณาราม เมืองราสเครสมัยนั้นลาบส ก, การะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้างในพระสาวกบ้างวันหนึ่งพวกเดรธีนักบวชนอกพุทธศาสนาประชุมกันได้มีการถกกันในที่ประชุมว่าเหตุไรลาบส ก, การะจึงเกิดแก่พระสมณะโคโดมมากไหมนักในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าเพราะพระมหาโมคคลานักเป็นสําคัญ ท่านมีฤทธิ์มากไปนรกสวรรค์ได้แล้วนําเรื่องในนรกสวรรค์มาบอกแก่คนทั้งหลายว่าคนทํากรรมอย่างนี้ไปสวรรค์ทําอย่างนั้นไปนรกด้วยเหตุนี้คนจึงเรื่องใส่มากพระมหาโมคคลานาเป็นกําลังสําคัญของพระสมณโคดมถ้าพวกเราสามารถฆ่าพระมหาโมคคลานาเสียได้พระพุทธเจ้าก็ขาดกําลังสําคัญไม่สามารถเรียกร้องความเคารพนับนถือจากมหาชนได้อีกต่อไป แต่นั้นลาบสกาละก็จะหลั่งไหลมาหาพวกเราคิดกันดังนี้แล้วก็วางแผนสังหารพระมหาโมคลานะเรียรัยทรัพจากพวกอุปถากได้พันกรหามณะนะได้เอาทรัพ์นั้นจ้างโจนคณะหนึ่งให้ไปสังหารพวกโจนเห็นแก่เงินจึงรับทำเวลานั้นพระมหาโมคลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกโจนไปล้อมที่อยู่ของท่าน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 การชักมาแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยประกาศละชะนีพวกโจรจับพระเทระได้ทุบโดยถอนไม้ให้แตกยับเยินเหมือนข้าวสารหักพวกมันเวี่ยงทิ้งไปที่ผุมไม้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าตายแล้วแต่พระเทระยังหาหนีพานไม่ท่านคิดว่าจากเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วปรินิพานจึงประสานกระดูกด้วยกำลังลิศด้วยเครื่องประสานคือชานทําให้กระดูกมั่นคงเหมือนเดิม แล้วไปเฝ้าพระาศาสดาโดยอากาศทูลลาเพื่อปรินิพานเมื่อพระทศพลเจ้าทรงทราบว่าพระเถระจะไปปรินิพานที่กาลสิลาจึงตรัสว่าโมฆลลานะขอเธอพึ่งกล่าวธรรมแก่เราก่อนแล้วจึงค่อยไปเราจะไม่ได้พบเห็นเธออีกพระเถระเหาะสู่อากาศแสดงฤทธิ์ประการต่างๆกล่าวธรรมถวายพระาศาสดาถวายบังคมแล้วไปยังกาลสิลา ปริณิพานที่นั่นน่าสังเกตว่าพระทศกัณฐเจ้าไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นธรรมราชาเลยเมื่อพระสาวกจกปริณิพานยังทรงขอร้องให้กล่าวทมหรือแสดงทำให้พระองค์ทรงสดับทรงเป็นผู้เคารพทำอย่างแท้จริงสมกับที่ได้ทรงปฏิญาณไว้ข่าวเรื่องพระเถระถูกประหารจนปริณิพานนั้นแพร่สัพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วชมพูทวีป พ, พระเจ้าอาชาศัตรู ราชาแห่งกวนมคตทรงสั่งตำรวจออกตามจับทันทีที่สงสาจนได้สับแล้วไปดื่มสุรากันในโรงสุราหแห่งหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นคนหนึ่งทองหลังอีกคนหนึ่งให้ลม้มลงต่างคนต่างกล่าวโอดอ้างถึงเวรกรรมของตนคือการลงมือตีพระมหาโมคคลานะว่าใครลงมือตีก่อนคันคนชั่วพบกับคนชั่วความลับก็แตกออกมาความลับไม่มีในโลกเป็นความจริงยิ่งนัก โจรกับโจรและคนเป็นศัตรูกันยอมนำความพินาสมาให้กันเสมอตำรวจจับโจรเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วทูลพระราชาโจรเหล่านั้นรับสารภาพและกราบทูลว่าสมณะนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งจ้างให้ฆ่าพระราชารับสั่งให้จับสมณะเปลือยทั้งหมดพวกนั้นรวมกับพวกโจรให้นํามาทีพ่พระรานหลวงให้ฝังลงในหลุมแค่เดือกลบไฟฟางแล้วก่อไฟเผา เมื่อไฟไหม้แล้วให้ถ่ายด้วยถายเหล็กให้เป็นท่อนเล็กท่อ น, น้อยผลตอบแทนแห่งการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเห็นทันตาอันหนึ่งนักบวชนอกพุทธศาสนาเมื่อปรารบความสุขแห่งตนฉนัฉนยเล่าจึงเบียดเบียนผู้อื่นผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขพิสูจนทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชเลิเกินพระมหาโมคลานะมรณภาพไม่สมควรเลย ไม่น่าจะมรณภาพด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุไม่มียานไกลออกไปจึงพูดอย่างนั้นเหมือนคนดูหนังหรือละครเพียงฉากเดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุ์ทั้งหลายการนิพพานของโมฆลานะไม่สมควรแก่เธอในอัถภาพนี้แต่สมควรคือหมะแก่กรรมที่เธอเคยทำไว้ในชาติก่อนเมื่อพิกูจทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของพระเถระจึงตรัสเล่าดังนี้ กรรมเก่าของพระมหาโมคลานะในอดีตกาลกุลบุตรชาเมืองพราราณสีคนหนึ่งปรนิบัติมารดาบิดาอยู่อย่างกตันยูกตะเวทีมารดาของเขาได้ขอร้องให้เขาแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่พ่อแม่ก็นําสตรีสาวผู้หนึ่งมาให้เป็นพันยาของเขาจนได้พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่ตนยังมีชีวิตอยู่พอได้ชื่นชม แต่บางทีเรื่องกลับเป็นละครเศร้าหญิงสะพ้ยของเขาเป็นคนไม่ดีปฏิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียงสองสามวันเท่านั้นก็เบื่อหน่ายคิดกําจัดบอกสามีให้ทราบว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับแม่ผัวพ่อผั ว, ผ ว, ผวได้เพราะท่านทั้งสองสกปรกชอบทำเละเธอแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังวันหนึ่งเมื่อสามีไปภายนอกนางลูกสะพ้ยเอาก้านปอและข้าวยาคูมาทิ้งเรี่ยราดไว้ให้เต็มเรือน สามีกลับมาเห็นถามว่านี่อะไรกันนี่แหละคือการกระทําของมาราบิดาของท่านอย่างนี้แล้วจะให้ฉันอยู่ร่วมได้อย่างไรฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้อีกต่อไปเพราะเห็นด้วยตาอย่างนั้นได้ฟังด้วยหูซ้ำํำก็อีกอาการวนพร่ำของพัญญาก็กระทบหูกระทบใจอยู่เสมอบุคคลแม้ได้บําเพ็ญบา ร, รมีไว้มากหินป่านี้ก็ยังเอง็นเอียงเปลี่ยนแปลงหลงเชื่อพัญญาและแต่กับปิดามารดาได้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 ด้วยกรรมนี้พระมหาโมคคลานะหมกไหมในนรกหลายแสนปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถูกทุบตีให้ตายอย่างนี้ถึงร้อยชาติเพราะเศษบา ท, ที่เหลือพระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาโมคคลานะถึงมรณะอย่างนี้เหมาะสมแก่กรรมของตนในอดีตพวกเดรธีและโจรที่ประทุษร้ายบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็เหมือนกันเพราะผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมพบกับความพินาสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยดันเดนะอดันเดสุเป็นอาทิมีไนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น